ทาหยิบปาถึงยากปฏิบัติสะดวกง่ายเลยแต่ผมบอกเราบอกเราเคยที่ไม่เข้ใจนาเคยเรายินเนี่ยฟังมาเคยศึกษาเคยปฏิบัติแต่ไหนก็เป็นไปยากถึงยากก็ไม่เหลือวิสัยนั่งพยามศึกษานั่งพยายามศึกษายากวางมือไม่เอาเคื่อามกมันจะไป็นานไร เ, นน เ, นนเราจะสมดุให้เขนไปไนด้ยากจต้องทำขะที่เรามี้ำคนบนไอยู่นี้ขุดขักพนี้นกั น, กในใดัแต่จุดหมปาทางเราอยากจะไปอยู่นี้แต่เไยากมนบากน่ไปเราจะนึกอยู่ใจใจมันจะถึงไหนไ้ถึงากลบอกจะอสานพยาย่าฝืนไปมันต้องยากเสียก่อน ันจะไปทบง่ายถ้ามีใจแข็งการศึกษาการปฏิบัติธรรมะเป็นของ้าเป็นของลาบากเพราะสาศูนเรื่องยิ่งหล่ปัญหาสาหุนเรื่องทำสิทธิ์จึงขลงเราเนี่ยจะไหนะไรธรรมะของพระพุทธ เ, ธเธจ้ามันเป็นา่าตุกับยิ่งหญ่เพราะจะทำอะไรไปมั่นต้องขักต้องหละเอาไว้ จะนั่งข้าวนาก็เพื่อสมดตลเมื่เรื่อง่นี้จะทำงานในเครือข่ายเงื่องหามเคลืวนไปต่างนั่นนะคือมีาระหน้าที่กางานแต่ทีนี้ภาระหน้าที่การงานก็เพื่อธาตุขันมันจนท้งเกิวขความเคลื่ต่างต่างมันมีสำหับพิเศษในอย่างนั้น ท, ทุกขหนาช่วยเกียวกเรามันก็หมดไปแล้วทำไมเชื่อเรื่องของิเหนเชื่อเองเรื่องของธรรมแเราเชื่อื่องของธรรม่างเราเราต่อจะทำถึงยากถึง ล, ลำงางาลบากขนาดไหนก็อคนหยุดคไนไปทาให้ได้ทำลงไปไม่เห็นอะไรเกิดขึ้นแต่ไม่ยอมหยุดตองตาตองตาท อยางเอาคุ้เอาไปหนึ่งทุกคนทำอยางนั้นโดยความเอาใจใส่โดยควาใส่ใจจิ้มจัถึงอกถึงรำคาก็อะมีโอกาสเวลาได้คุณถ่าตอบแทนคือความสงบความเย็นเย็นของใจคารสุขของใจื่นต่อเมืองของชีวิตต่อมีโอกาสเวลายังหนุ่มยังเด ก็ถืออ่ายังหนุนังเดกอยู่เพื่รได้แค่ก่อนจะมีครบครัวามาแต่เถออ่ะพาานาที่ลมอ่มีลูกมีหลามก็อืออ่ะจดตลูกจิตหลานยัทำอะไได้จดตาเงี้ยต่างๆถ้าใจแมก็อ่ะหลงใจในเต็มท้าในอาหารให้พำแม่ได้ไม่ใช่อะไรหนมีโอกาสเวลาให้ ถ้าเราไม่เชื่อเรื่องของมันล้วจะทำให้เป็นให้เห็นเหู้จริงจังจะไม่น้อยูกว่าตามจะเท่ากว่าตามคุณงามทําดีอาจทำไม่มีแฉไม่มีหนึ่งเป็นอันเดยวสันงจิตใจถึงมีที่เหลอปัญหาเป็นอันโดียวันสนารถได้สะสมได้พยายามกำหนด จิตกนหนดใจของตนถ้าผู้ที่เคยฝึกเคยอบรมเหนผลดูความสวัสงัดของใจก็โดยบังคา บ, บัช้าย้ะก็เคยฝึกเคยสบายเคยได้แต่ากางแต่ทำม่นเชื่อมั่ไม่ได้ทํางนั้นจิตใจนไม่สบายจะไปสถานที่ใดอยู่สถานที่ใดถ้าได้กาหนดใจ ให้สงบรู้สึกว่ามันสุกมันสบางถ้าจิตใจวุ่นวายสุ่งสต่างรู้สึกเสียใจใหตตัวเองนี่คือคนเคยเห็นผลจากการกระทำบาเพ็ญของตนจะมีครูมีอาจารย์แม่สอนหรือไม่ตัวของเราเองก็ตั้งใจจะทำอยู่ตลอดเวลาคนที่เห็นคุณค่าของการำนะเนคุณค่าของการปฏิบัติเนอย่างนั้น อยู่สถานที่ใดอยู่กับอัดกับทำไม่ไปอยู่กับโยกไม่ไปอยู่กับยิ่งเละมุ่งหน้าศึกษาชิ่งที่เกิดขึ้นภายในที่เจนน้ามาให้พอใจละถอนเรื่องต่างๆก็ทุกคนมันมีสัญญาอรมแต่ใ่มันไม่มีพระอริยเจ้าท่านก็มีเหมือนกัน สัญญาอารมณ์นอย่างนั้นท่านก็เลยมาแน่สอนพุทธบริษัทไ้สาเหตุใดที่ถอนใจวางสัญญาอารมณ์ถ อ, อไปแล้วก็จะเอาอะไรนะแ น, น่สอนสัญญาอารมณ์หรือขันห้าคือท่านเก่าไว้รู้เวทน า, าสุขทุกเฉยเดี๋ยวาเวทนาสัญญาคือความจดจา หมาย ต, ต่างๆ ท, ทั้งฐานคือความปรุงเครงใจยืนยัคนคือคามรับรู้จากอายตนะมืออยู่ถ้าหากเราศึกษาในบ้านธรรมะสิ่งเหล่านี้จะเกิดเป็นธรรมะถ้าเราไม่ศึกษาทีา่จะมาสิ่งนี้จะเกิดเป็นโลกทำให้โลกให้เบืดให้เหลอทำให้เบียดเ้ยววุ่นวายกระสับกระส่ายมือสึกมีสาบาย ไใจจิตเนี่ยพิจารณาต็มที่จัดเป็มดีมุดบริสุทธิ์เข้าใจขนาดชัดเจนว่าขันอันนี้เป็นเรื่องของขันไม่ใช่เรื่อ ง, งกิเลกสในใช่เรื่องปัญหาต่อสิ่งเหล่านี้มันปิดบังเอาไว้ไให้เห็นไม่ให้รู้ตามความเป็นจริงของมันกว่าจะไปถึงขันนั้น มันจะต้องขึ้นที่เจมาไปสายทางหนึ่อย่างไรแล้วก็ต้องเดินไปเม้นบันไดถึงมันจะขึ้นได้ก็ต้องขึ้นไปในอย่างนั้นจะในถึงบ้านจางก็ทํามันเพิ่มกันทำนองเดียวกันขอทุกท่านจะหมั่นที่นิ่ทา่เจนางานธรรมะของพระพุทธเจ้าศึกษาเพราะคนเราเกิดมานั่นก็มีแฉะมีเจ็บมีตายจป็นธรรมดานันมีใครในโลก ที่จะเลื้อหล่ออยู่ได้จะเทดเพนมัวเมาไปเท่าไรการแจกทวาเจ็บทวามตายมันจะไหนหลุ่มเหลวเผดเพลนไปตามเราเราจะนั่งจะนอนจะจินจะดื่มอะไรการแจกทวามเจ็บทวามตายมันจะประจำอยู่ในถาดในขันเหลื่อยไปเมื่อเปนอย่างนั้นจะควรนอนใจอะไรกนรในถาดในขันเมื่อเปนงานคามดีอะไรยังไม่มีในตัวของเรา เราตายไปทราบได้ดีไหมเราจะไปเกิดเป็นมนุษย์เพืดอู้หญิงเกิดผูด้ชายหรือจะไปเกิดเป็นอะไรค้างหน้เมื่อเรายังทราบไม่ได้แตเราเชือใจพระจิที่จะไปเรายังไมาา่ทราบหรือเราทสาบแล้วการประเกิดในสิทธต่างๆยัไมถึงความบริสุทธิมนุย์นั้นมันเป็นทางดีหรือหรือ ตัเกิดในสถานที่ใดเมื่อเกิดได้มันก็ดับได้ควรฝึก จ, จิตอกใจขังตัวให้ถึงจุดหมายตายทางสติมรดเมื่อถึงมรดแล้วจึงจะบริสุทธิจึงจะปลอดภัยไม่มีอะไรที่จะมาเกีย่ยวข้งให้สงสยัยไม่มีอะไรที่จะมาก่อเกลืนให้เกิดทุกข์อีกนอกจากทุกข์ในขัน ที่เรามีอยู่เท่นั้นส่วนทุกในการละการนำเทมส่วนทุกในจิตในใจอยู่โซกะบริเธระไม่มีในความบริสุทธิ์อันนั้นมีท่านพูดผูกโวยวายจุตจึงได้เสียบผูกเราสะดวกสบายเรายืดเยุ่นหุ่นว ข้างสิโลเขาโยงโยงโงไปข้างสโลเขาหลงทางก็ไม่หลงสโลเขาทุกข์ทางก็ไมนทุกข์่องเหล่านี้จะมีใครที่จะเชื่อกันได้นอกจากตัวของเราเองจะเชืตัวของเราหมืนกอบรมศึกษาหนที่นิจิเจนะกาหนดเรื่องจิตใจเันสิ่งที่ศึกได้หากศุกไม่ได้พระพุทธเจ้าเป็นสิ่ดี วิเศษเป็ น, นได้ครออาจารย์ขาวกที่จะ้นตัจากโลกคนตัวไม่ได้ถ้าฝกไม่ได้ก่อนท่านตัวเหมือนกันกับพวกเราท่านมือยู่ทุกสิ่งทุกอย่างถ้ามือตรงมืทางที่จะสร้างดีชั่วให้เกิดขึ้นได้นั้นมือยู่ดีชั่วคือเราจะชำระหรือบำเพ็ญทุกสิงทุกอย่างมันจึงพร้อมอยู่ในตัวของเรา แหนใช้อยู่ในที่อื่นเหนือตัวของเราเอาใจใส่ปัดเต่าที่เหล็กปัญหาใายตามไถ่ชัว่วให้หลืไปสร้างคุณงามความดีฝมสมาธิปัญญาให้มากขึ้นความบริสุทธิ์โดต้องไปถามถึงมันจะเกิดขึ้นเป็นขึ้นเหมือนกันกับทุเรียนหรือมะม่วง ขอให้บำรุงําต้นของมันให้ดีหน่มันตกดอกออกผนแก่สุดเต็มที่ม่ต้องแกหาอะไรมาใส่ให้มันหวานมันหวานเองั้งมันหนูจิตใจข้งพวกเราท่านหน่อมันถึงสุดสุดกับทํา น, นอนเดียวกันมันหลุดเองหน่อบําเพมดีความหลุดนั้นไม่ใช่เราจะตึ้นแต่งเอามันเป็นของมัน นั่นจึงมมีปัญหาว่ามันหลุดหรือยังเพราะตัวของตัวมีสติมีปัญญาที่จะนานาตามขั้นของความสงบของความละเอียดของใจพอถึงที่เสร็จแล้วซึงไม่มีปัญหาอะไรที่จะติดข้อขอสําคัญขอให้ตั้งใจทํทาทำนักสืบนาเป็นปฏิบัตา่างร เป็สัญชิติโกมันมีอยู่ทุกท่านไม่ว่าขั้นต่ําขั้นกลางหรือขั้นสูงสุดแต่เรามาดูที่เจ้มาดูว่าสัญชิติโกเห็นเองเห็นอย่างไรก็คือเราเจขึ้นก็เห็นความสงบเกิดขึ้นก็เห็นเห็นเองในจิตในใจของเรามันสงบขนาดไหนระบายขนาดไหนเราก็เห็น มันเกิดขนาไหนมันเลิกขนาไหนมันหลงขนาไหนเราก็เห็นเห็นอยู่ในจิตในใจของเราเห็นจนตาดำตาแดงจนรองไห้แล้วมันขึ้นจนถือจนฐานขึ้นมาแต่มันไม่พิจาราแต่มันจนสิ่งสันสุขิโกความเชื่อต่อเป็นสันสุขิโกความดีต่อเป็นสันสุขิโกตามขั้นของจิตฐานไม่จรมีที่อื่นมีที่กายที่ใจทางสมณะก็มีที่อื่นอีกเหมือนกัน จําละได้ดความบริสุทธิ์เป็นอย่างไรก็เป็นสันที่ตึกกรเป็นตับตังกระจังประจันตัวของตัวอีกเหมือนเด็กถึงฝูดมาเต็มหนึ่งมันอื่มมันก็จะคิ้นเดี๋ยวพอนมันนอาไสาปากมันันก็คายออกมาจิตใจคือมันเพียงความบอริบลูลก็ทําเอามนั้นพ ย, ยายามทําฝึกตัวเองให้มนทุ่ความอื่ อ่นั้งความอิ่มแล้วมันเป็นอย่างไรจะเข้าใจในความอิ่มในต้องไปถามไหมแล้าอิ่มด้วยกังในบ้านท่านท้านส่ตัวอิ่มไม่รู้จกักว่าตัวอิ่มตัหีวไม่รู้จกักว่าตัวหิวการภาวนากับท่านัเดียวกันหยุดเดียวนี้มันคิดมัน เ, ไไนเป็นในเมียไหนเป็นโลกหรือเป็นธรรมก็ไม่ทรา นั่หลับหูหลับตาเงียบหัวตออสติปัญญาใหม่หนึ่วเราได้นั่งก็เท่ารดีเท่านั้นแต่มันดีอย่างไรจิตใจฝั่งใสจิตใจเยียกเยินจิตใจจะทำได้ไยมมาเดินบวกเล็บตรวจดูจิตใจทั้งตัวถึงเวลาทาก็ทาไปถึงเวลาเดินก็เดินไปแต่จิตใจนั่นดีไหมปลองเคร่งคัดเลยไห ถ้ทำแบบนั้นนั่กอยากลำบากที่จะได้ปรบสบความความบริสุทธิ์บ้างพยายามมีสติรักษาจิตใจของตัวการาาาเป็นเพื่นานาอย่าไปทิ้ว่าเป็นหน้าที้ของคนอื่นเป็นหน้าขี้ของตัวเองที่จะทำการรักษากาวางใจะ จ, ะจะเป็นหน้าที้ของเรา จะรักษาคนอื่นไม่ใช่ขีดฆ่าพระพุทธเจ้าบอกสอนแถวนั้นจะเอาหรือไม่เอาถ้าเอานายดีพระไทยนายเสียพระไทยถ้าเอานายมีอะไรสิเจ้ามาแบ่งปันจากเราเราเชื่อจะเปนเหลืองเราเรามีจะเป็นเหลือทของเราจึงควรทำเตัวอตัวเพื่อเตัวเองอยากดีอยากมีความสุขอยากสงบอยากชิดอยากซึ้ง อย่ากปิ ด, ด อ, อยากค้องเรื่องอารมณ์สัญญาต่างๆพยายามกำหนดให้จิตเดือดจิตดุเหมือนบ้านที่มีประตู้เวลาอยากจะให้ปิดก็ปิดได้อยากจะเตอนกเอ็เตือนได้ใจที่เรามีประตูเตือดอู่ตลาดเวลาเหมือนกันเป็นทีเหมือนสาวะาอะไรนะั้งออกบันเข้า คนถี่มีสัญญาเขาเลือกหาวลาอะไรทั้งหมดอาหารใส่ปากส่ท้องของเขาทํานสมเหตดมาในถ้อยในการเขาก็ยังเลือกต่างกระดูกเขาก็ต้องเอาออกสัญญาอารมของเราเป็นเนื้อนงกันแข็งขันภายในเป็นเนื้อนงกันมันมีต่างมีกระดู ทีจะทำให้เจ็บให้เปื่อ ย, ยให้เดือดร้อนตปตัดหากเรามีตำยาที่มคือเ จ, อาจนาเป็นคนมาอันนี้เป็นอัจจิสนสาเห็จเจ็บตามเอาไว้จะทำใจให้เต่าหมอนทำใจให้เดือดร้อนเราสาดดีเ่าเป็นของใหม่ดีแล้วก็บถึงนังเชียสใส่ังเชียสนี่คือ คนมีปัญญาทุกสิ่งท pues ่เกิดขึ้นเลยหอบเอาหามเอาทุเรียบแต้องนเกิดขึ้นอย่างไรจะเอาอย่างนั้นไม่เอาสิ่งที่เลยควรเอาปล่อยมันที่สิ่งที่ควรเอาเอาข้าวมันกดยังงี่เกียดกินต้องเกลียดมก็ติดคอตายเขาจะไปสีไปซ้อมนี่เรื่อง จิตใจของเราหรือเรื่อยเทโลกมันมีอยู่อย่างนะนคนที่มีปัญญาจึงสามารที่จะพิจารณาของจรงจากาจากใจจากโลกได้คนที่มีปัญญาก็ลมเลืองเรื่อยไปต่ไมวันนี้เาหองทาไมวัานี่สงสัยทไมวันนี้สงบทำไมวันนี้ยินวาขาเหงือ่เคอเ้นจากอะไรทำไมพิจารณามัน หังรู้จากสาเหตุในรอ้จากของแผลงนั่นก็ยากการคิดการพิจงการพูดการกินการดมต่างต่งมันเป็นสาเหตุอันหนึ่งซึ่งจะให้จิตใจว่าเห็นคุณนมื่อไปได้สุขสบายไได้เราก็ต้องพิจารอะไรที่มันเป็นเหตุในใจดีใจเชื่อ เมื่อเราจับจิตมันได้ข้าใจมันดีมันก็มนเราต่อเกลื่อนเรื่องเช่อเสืัต่างๆในจิตในใจมีการศึกษาจับตัวเองจะเป็นเรื่องตัวเองที่เจรณาตัวเองนอนมากมันเป็นอย่างไรกินมากมันเป็นอย่างไรพูดมากมันเป็นอย่างไรนั่งมากเดนมากมันเป็นอย่างไรเยอแบบไหนที่เป็นสัตไป่าจ้ะทจิด ทำใจให้สว่างสวัยทำจุดทำใจให้ผ่องใสสงบเย็นเราต้องพิจารณาการกระทั่งการฝูกการคิดของเรามาอย่างนั้นกจะหากลำบากเหมือนคนตาบอดเดินทางในสายลมมันจะไปตกหล้นตกบอกที่ไหนทำหนึ่งดวตามองเห เห็นอะไรจิตใจที่มันีปัญญาจึงถูกแบบนั้นเลื่อยมาบางทีดีบางทีเชื่อเพราะเตลของเตลหน่อยที่ตรงน้นหาสาเหตุอย่างของเตลเองเนี่ยสาสาเหตุของเตลเองจมีทางจิตจเวนชื่อบรรเทดีดูถิบัก็ชื่อว่น่วยเปอง เหนื่อยนนาฝึาปฏิบัติได้มันจะเป็นอย่างไรมันเป็นไปโลทั้งโลกมันจะเปลี่ยนไปแบบไหนถ้ามันเป็นใจ้ายมันจะแตกขายไปเมื่อไรก็ให้มันเป็นไปเพราะทราบดีว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมันแตบกบดับสิ่งที่นารู้ไม่ใช่สิ่งเหล่านี้แล้วมันจะแต บ, บ, บดับไป กับเหนื่อยนี่ได้ไหมก็ทราบได้มันเป็นเนื่ทางหลังไหลเหนื่อทางเหลืองไหลเหลื่อยทางเสียใจแต่ตามเรื่องขอโลกขขังให้ฝึกให้เห็นใหเต็มภายในตัวก้าฝกได้ความฝึกความสบายอะไรจะไปเสดวิเศษเท่ากับจึกที่หมดยุเหลนปัญหาใหม่ในนาถีสันตกำลังฝึกขัง สึกอื่นจากความสงบในนี้คือมันสงบอยู่ทุกระยะทุกเวลาทั้งทีไปที่มาที่โผล่ชี่ิดมันไม่มีอะไรที่จะเป็นคิดเป็นทยแต่ทาไมมันเป็นอย่างนี้จิตใจมันไม่มีทางสงสัยนี่คือถึงมาคิดฉันคือกำลังสุกหาจริงจังต็มอย่างน แต่เราท่านยังไม่เห็นไมเป็นอย่างนั้นพยายามทําไปในวันใดวันหนึ za, time, like ่งก็จะถึงได้เพียงแต่อยากจะถึงไม่ทำยังก็มีมีวันถึงมีวันได้มีวันเห็นแต่ทำอยูก็มีวันที่จะได้จะเห็นจะเป็นไปได้การศึกษาธรรมะศึกษาคือการสี่ใจทังตัว อ้ากไปศึกษาที่อื่นแสิ so ่งอ so so so cool ื่นเขาไม่เหลวสิ Remember, are ่งอื่นเรไม่เกิดสิ่งนั้นก็มีอยู่ด่างนัสิ่งอื่นเราตายนั้นก็มีอยู่อย่างนั้นอย่างลมฟ้าอากามันคงอยู่อย่างนั้นนั่นเองแต่หายไปที่ไหนเสียงกิ่นรสสัมผัสก็ถ้านอนเลี้ยวเข เราไม่เห็นนั่นก่อนอยู่อย่างนั้นเราไปเห็นเราไปตูนเต้นน่าดูหน้าชมหน้าต้นรัต่างๆนานาก็จิตไปไหนก็คิดเสียงกะเนียนกันมันมีอยู่ก่อนเราเกิดทีเหล่นี้มันมีอยู่แต่ใจมันโลภถ้าเราไม่มยมันก็เลียเลื่อยไปถ้าเรลืมัน ก็ไม่มีอะไรจะสงสัยอดีตอาคตเป็นอ่าลไรดูปัจจุบันเข้าใจเท่าทิงหดนี่คืจตที่เข้าใจถึงธรรมจริงจัโลกเ่อไปหมดเสนอไปหมดก็ดูแต่เป่าทั้งตัวดูแต่เรื่องทั้งตัวมันก็ทั่วไปอดีตอนาคตเท่าโลกึ่งไม่มีทางสงสัย การภาวนาเป็นการแก้ปัญหาของจิตเป็นการทำจิตหนุ้ให้ใส่ใจตามจริงแหล่เรื่องการเรียนข้างนอกเรียนข้างนอกเรียนได้ขนาดไหนเรียนไม่ได้เดี๋ยวสัญาสัญญาอนุตาร์สัญญาอนัต้์จะมีการหลงการลืมตามบังคัาบัญชาไม่ได้เป็นใจตามเรื่องของสัญญา จะเรื่องภาวนะ น, น, น, นาหาอริยสัจหายใจอริยสัจนันกินไปหมดอดิดอนาคตไมนมีเส้นสายจึงเป็นกาจรจบเรื่องอจะเรียนต่อไปจะเรียนอะไรอีกตือมันจบในจิดในใจไั่มีทางส้นสัยถึงจ เขียนไปจนอาเมื่อได้นัน้นก็มีทางสงไขในจิตในใเพอมันแก่ไขสึ่งที่จิตข้องขอ ง, งตัว อ, ออกหมดไมมีการหลงไม่มีการลามืมอริยสักการปฏิบัติของตัวดีเชื่อต่างๆที่มันละมันถอนมาได้เส่งยงเรื่องสัญญาอาร ภายในเปนส่องลงเห็นเงินเรียนความเรียนภายในจึงจำเป็นที่จะเรียนคนหนึ่งอยากมีความสุขความสงบภาคตั้งแต่ธรรม น, นิเทศโอกาสเวลาหน้าที่เป็นของทุกคนแตสถานที่ที่เรามาถือว่าเป็นตาจะปกติธรรมดาแล้วก็สงบ แติดเราสงบแต่จิตเราไม่สงบอยู่ป่าอยู่วัด็ขจะคว้าเอาเรื่องอดีตเรื่องถิง่นด้านใดนะคิดมาเป็นอยู่ในใจสถานที่จะสงบขนาดไหนใจนันจะสงบให้เพราะว่าิตประตูบ้านนม่มีประตูอะไรมันจะเ ข, ข้าไปเข้าไปได้ไง หากร้ามเอาไว้ตั้งใจภาวนาแด่บริกรรมรู้กำหนดลมก็ตั้งใจจริงังตตายเสียก่อนรื่ออดีตอนาคตมันสงบมันสงบเหนอาจารแล้วมันเป็นัวเองเปล่ตักใดมันเดินไปตักแล้วมันจะเดินไป หาใจเป็นธรรมแต่นั้นตาก็เป็นธรรมเฮือก็เป็นธรรมลูปก็เป็นธรรมเสียงก็เป็นธรรมหายใจเป็นธรรมหาใจว่าเป็นธรรมทุกสิ่งทุกอย่างเป็นหลกก็หมดเปเนกิเลสปัญหาก็หมดเกี่ยวเ่สุดเก่นจิตใจสุเก่งให้เป็นธรรมโอกาสเวลาที่จะได้ศึกษาโอกาสเวลาคือจะได้มาจะทน บางสัมนบางคนก็มีนะบางสัมนบางคนก็มีมากเป็นานเมินก็มีคือ้าอะไรน่ยแจกแจงหมดฝึจิตอนใจสองตัวเคลว่าวก็มีการงานต่างๆหาโอกาสเวลามาอบยมศึกษามาแต่ทำมันเพิ่ยากแต่เมื่อมาถึงสถานที่ก็จะหอบหื้อสัญญาารณ์อดีต ผ่านมามาทำอ ย, อ, ยอยู่ในวัดในวังในปอยท้งละถอนใจตั้งใจกาจหนดความเพียทรทันสติทัจัญญาของเตือยู่ในตัวยของตัวยถกออรวมให้จิตสงบระงับสัญดาเรื่องต่งงางๆจะเห็นอนิสง จิตจะตั้งมั่นทันการงานทันออกท า, านในจะได้สะดวกสบายและจิตมีกำลังจิตได้พักผอนเจ้างสมาธิจะเป็นของอัศจรรย์ถ้าสมาธิในตั้งมั่นจริงจังลงถึงขั้นสมาธิอัตนาแล้วมันสบายมันสงบ มันจ so so, so so, so so mm ่อยวางไปทุกอย่างสัญญาอันเดิี่คยมไม่เกี่ยวข้งมันหมดไปรายใจเนหนึ่งมีแต่ความรู้สึกเท่านั้นอย่างกายเสียไปจะเกลีดปวดเหน็บหนื่อยหนื่อหมันเหนื่อยจ้ากดพอเหนื่อยออกมานอกมันอยู่ตเปหนึ่งข้งมันมันจึงเกิดอารมณ์ชั่งวะยะ ทำไมความสูกเสียนี้จึงเป็นแบบนี้จึงละเอียดด่งนี้จึงพิเปิด่องนี้พอมันเข้าไปถึงไปเต็มมังจะเห็นอัศจรรย์จะชื่อมั่นแบบมากเรื่องจะอก็รู้หนูจะตายหนจเป็นตายใงชีวิตจะได้ทำหน้าหร่าเขาจเป็นได้ ดีปก็ิเลยคุณดังใจว่าทำไมบุกเขานะเพราะว่าทั้งหมดทั้งหมวทั้งสองนั้งเกิสิ่งทั้ ง, ง, อ, อ, งอย่างนีเกิ ด, จ, ก ด, ด, ก ด, จ, กดจากภายใ น, ะนไม่เกิดจากภายนอกหัวใจคือเกิดนก่เกิดไม่ได้โลบกวนร้อนไม่เกิดเกิดจากใจของเรานักสนท่านีู้สึก มันจะเกิดขึ้นจากจิตใจอีก่หีกันฉะนั้น่งการแสดงทันจะแสดงสิ่ี่เกิดจะไปแสดงที่อื่นทุาคนมีโลกกว่างจิตเป็นต่างตัวเรื่อยมาทันเหตุเชือเอง